ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในตอนที่ว่าด้วยอายตนาปภ ะ, ะแต่พอดีเรื่องของสังโย์ที่ทรงสอนให้มองว่าสังโยชนเข้าใดข้อหนึ่งมันเกิดขึ้นหรือไม่ ในกรณีที่เราสัมผัสอารมณ์โดยการเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นริมรถถูกต้องเย็นรอนอนแข็งมันก็คงสอนท่งสอนให้รู้จักอายตนะภายในอายตนะภายนอกแล้วก็สังโยชน์ที่เกิดขึ้นเมื่อประทบกับอารมณ์ตามปกติแล้วสังโยชน์ที่เรานำมาพูดเนี่ย เป็นการนำมาพูดในกลุ่มสังโยชน์ที่พระญาบุคคลร่ได้ตามลาดับมันเป็นมาตรวัดจิตใจของพระญาบุคคลว่าถ้าเป็นพระโสดาบันจะต้องไม่มีสังโยชนี้ถ้าเป็นพระสักัตาคามีจะต้องไม่มีอย่างนี้เป็นพระนาคามีจะต้องไม่มีอย่างนี้แล้วก็ถ้ามีอีกอย่างหนึ่ก็ว่าไปเรื่อยเรียงไปโดยลาดับ แต่ในขณะเดียวกันในอภิธรรมบิดดกในพระคำพีวิพังซึ่งก็เป็นพระไตรปิฎกเล่มที่สามสิบห้านะฮะาก็จำแนกสังโยชน์ไว้สิบเหมือนกันแต่ก็ยังนึกเกณฑ์ไม่ได้ว่าใช้อะไรเป็นเกณฑ์แต่ก็คือกิเลสนั่นแหละเพราะว่าเวลาเรียงเนี่ยมันสับสนจะถือว่าเรียงด้วยลบกฎลงก็ไม่เชิง ใช้โครงสร้างของโลกกฎหลงแบบนิวร์เนี่ยก็ไม่เชิงแต่ใช้โครงสร้างอย่างที่พระยะบุคคลทัล่าได้โดยดําดับมันก็ไม่ใช่แต่ก็นับไปนับมาก็คือสิบเหมือนกันผลยังไงเราก็มาถึงสังโยชน์แล้วก็รู้จักหน้าตาก็เส้นหน่อยเพราะว่ายังไงยังไงเขาจะเรียงยังไงก็ไม่รู้มันเกิดในใจคนครบครบบริบูรณ์ทั้งสองชุดนั่นแหละ มันจะมีกลุ่มที่ซ้ําแล้วกลุ่มที่ไม่ซ้ําแต่ต้องเข้าใจว่าคําเอาไม่ซ้ํำนี่ที่จริงมันซ้ําโดยเนื้อหาแล้วมาความเอาก็จริงมันไม่มีอะไรอ่ะมันก็คือโรคกดลงเช่นยกตัวอย่างวิสกยทิฏฐิวิจิกจริษารุปะฏรบามาตรการมราคขปฏิคะรูปปะราคารูปปะราคามานาอุทตจาวิชา แล้วก็จริงมันก็คือโกกรคปดลงแต่ว่าเป็นโกกรคปดลงที่ละเอียดมันก็นอนส ง, งบนิ่งอยู่ภายในใจคนเพราะฉะนบางครั้งเราก็เจออนุสัยอนุสัยก็ท่านบอกไว้เลยนะว่าเป็นกิเลสที่นอนส ง, งบอยู่ภายในจิตสันดานของมนุษย์แต่ตรงนั้นท่านจำแ น, นกว่าเจ็ด แต่แทนที่จะจำแนกเป็นแปดแต่ท่านจําแนกไว้เป็นเจ็ดก็แต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยมันก็ซ้ํากันนั่นแหละคือคือก็ อ, อยู่ในประเภทโลกกดลงด้วยกัน เ, เช่นยกตัวอย่างนะไม่ก็ไม่ใช่ยกตัวอย่างเอาฟังทั้งหมดก็ได้การราคะคือความกําหนัดด้วยอํานาจความใคร่ในสิ่งที่จิตใคร่มันมีสองอย่าง มาความมีกิเลสเป็นเหตุหคล้ายๆแล้วก็มีวัตถุที่จิตกําหนดว่าหน้าใคร้ถึงเราเรียกตัวนี้อารมณ์อาจจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเย็้มร้องนนแขงเราก็เจอเจอเจออยู่ทุกวันน่ยนะปฏิฆะความหมงุดหงิดความรําคาญมันไม่ถึงกับบรรดาลโทสะอะไรแต่ว่ามันเป็นปฏิฆะถุงหงุดหงิดรําคาญเราจะเห็นว่าตรงนี้ก็ซ้ําที่พระนาคามีธนระได้ ทิฏฐิท่านจะบอกทิฏฐิเฉยๆแต่ก็ทิฏฐิเวลาเข้ามาเดี่ยวอย่างนี้นะให้รู้ว่าอย่างหนึ่งว่าหมายถึงมิจฉาทิฏฐิแต่บางทีนี่ต้องการเน้นย้ำให้เราเข้าใจว่าทิฏฐิตรงนี้สัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิท่านก็ใส่ เ, เข้าไปบอกว่ามิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิแต่ถ้ามา เดียวๆมาเลยก็หมายถึงมิจฉาทิฏฐิทุกแข่งเชนนยตะมิจฉาทิฏฐิอคริยาทิฏฐิอเหตุุกทัทิฏฐินัตติกาทิฏฐิถ้ามาอย่างนี้แล้วก็หมายความว่าเป็นความเห็นในทางที่ผิดเพราะในที่นี้ก็หมายถึงสักยญาทิฏฐิคือความเห็นในทางที่ผิดแต่ว่าเมื่อใช้คําอย่างนี้กรอบมันก็ไกลกว่าแต่ก็เชื่อมโยงนะสักยญาทิฏฐิมันก็เชื่อมโยงอะไรไปเยอะละ วิิการนิสสงการดูงมีอยู่ในสังโยชน์สิมานะตรงกันแต่ว่าเพราะว่าราคะเนี่ยในโน้นเราเรียกว่ารูปราคะคือความกำหนัดในภพในความมีในความเป็นทั้งหลายเนี่ยความกำหนัดความพอใจความสยบติดความเพลิดเพลินอยู่ในภพทั้งหลาย มันก็เอาข้าจริงก็คือเป็นกิเลสประเภทรู ป, ปราคะนั่นเองรู ป, ปราคะหรือรู ป, ปราคะแล้วก็ในที่สุดก็จบลงที่อวิชชาซึ่งอวิชชานะั้นแน่นอนก็ต้องอยู่ทุก ท, ทุกงานเลยนะหมายความเมื่อพูดถึงกิเลสในรายละเอียดขนาดนี้เนี่ยมันต้องมีอวิชชาทีนี้พอสังโยชน์สิบตามคำพีวิพัง วิพังนี่ท่านจำแนกองทำรรไปเรื่อยๆนะะจำแนกไปเรื่อยๆ เ, ออเช่นอิทธิบาสีอย่างเงี้ยมันก็มาจากคำพีวิพังองทรรมไปจำแนกก็ไปเรื่อยหนึ่งสองสาบาสไปเรื่อยๆนะก็เยอะข้อแรกก็คือเริ่มที่กรรมราคะปฏิฆะเหมือนกับ อ, อ, อนุสัยเจ็ดมาน่าความถือตัวซึ่ง ในสังโยชน์สิบโน้นท่านจะอยู่ในระดับที่ที่แปดนะที่แปดแต่นี้ก็มาอยู่ในลำดับที่สามทิฏฐิเหมือนกันทิฏฐิก็คือความเห็นผิดวิจิิจศาศีลปตรรมาทเหมือนกันพระวราคะเหมือนกับอนุสัย ความกำหนัดในภพภพก็คือรูปประภพกับรูปประภพกรรมาภพมันก็มันก็กรอบมันใหญ่แต่ถ้ารูปประราคะอรูปป ร, ราคะมันเกิดอยู่เดียวก็ก็กรอบมันก็ใหญ่นะครักรอบมันก็คลุมหมดเหมือนกันเพราะว่าโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งรูปประราคะมันก็หมายทั้งการมาภพทั้งรูปประภพทีนี้อรูปป ร, ราคะก็กำหนัดในอรู ป, ประภพคื อ, อรูป อรูปประพรมนะฮะอรูปประพรมสี่ก็หมดเหมือนกันก็นามอารูปเหมือนกันแต่เราจะเห็นว่าถ้าใช้คําว่าภาวะราคะมันก็มีเฉพาะที่เป็นพบมันก็ได้เพราะนั้นเขาเรียกว่ารูปประพรเหมือนกันเขาเรียกว่าพบเหมือนกันคืออรูปปพรชื่อเขาเข้าสามารถสรุปรวมไว้ที่คําว่าภาวะราคะได้ ทีนี้อิสานี่เป็นภาษาที่คนไทยเราไม่ถนัดลิ้นเพราะ่นแตงเราลองสังเกตว่าเราไม่ค่อยได้ยินคำว่าอิสานี่แต่เราจะใช้คำว่าอิจฉาซึ่งความหมายและคนละเรื่องกันเลยแต่เราก็ใช้จนเป็นภาษาไทยใกล้ๆกับโมโหเนี่ย มันคลอ่ยุ่คนะเรื่องกันโมโหในความหมายของชาวบ้านกับภาษาปากนะภาษาปากภาษาชาวบ้านเนี่ยก็หมายถึงความโกรธแต่โมโหนี่ที่จริงเป็นความดงเป็นความโง่เป็นความเข่าออกมาในรูปที่เด่นเนี่ยคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยหรือว่าเคลือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจหรือว่าคิดคลุงซ่านซัดสายไปเรื่อย แต่ว่าจริงๆแล้วภาษาชาวบ้านก็ใช้เนโมโหก็คือชุนเฉียวรุนแรงแบบโทสะลักษณะของโทสะเพราะภาษาตรงนี้ใช้ภาษาพูดเนี่ยฟังกันได้แต่ภาษาเขียนเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่ามันสื่อสารแล้วไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไรโดยเฉพาะยงยิ่ง เ, งเกิดการอธิบายธรรมะนี่มันต้องชัดเจนต้องแยกกลุ๊มไม่ได้ อิสสาเป็นอาการของอิสาสาเราแปลว่าลิษยาเนะ่ลิษยาที่จริงเป็นสาักฤตอิสสาเป็นภาษาบาลีแต่ยางที่บอกว่าเราไม่ถนัดลิ้นคนไทยไม่ถนัดลิ้นก็พูดไม่ก็ได้อิสสานั้นได้ลองสังเกตว่าเป็นเป็นความรู้สึกที่มีโทสะในตัวกวกคน คนที่เราฤิ์ิยาเนี่ยมันต้องได้ดีนะฮะตอนได้ดีวันเขาได้ลาบได้ยศได้สันเสริญได้รับความสุขพอะดีคนนี้เราไม่ชอบแต่เขาได้ได้เราก็เกิดความฤิษยาเพราะในการการการมองธรรมะเนี่ยถ้าถ้าสร้างสถานการณ์สมมุติเราจะเห็นนะ ถามว่าทําไมจึงบริษยาก็ทําไมถามใจฮะ ใ, ใจตอบถามใจเราดูว่าทําไมเธอริษยาเขาว่าเราอยากได้เองเห็นไม้มมันเป็นอาการของโลภะแต่ว่ามันก็เป็นอาการของโมหะมันก็มาจากโมหะไม่ได้มองโดยเหตุด้วยผล ว่าเรานั้นคือเป็นผลลาบยศสรรเสริญสุขนั้นมันเป็นผลแน่นอนบางครั้งบางคราวมัก็เล่นพวกกันกดธรรมดามนุษย์มีกิเลสก็ปล่อยเข้าไปนะกรรมใดใครก่อก็เป็นคนรับกรรมเข้าไปโดยสันั้นเรากระโจนเข้าไปร่วมวงทําบาปกับเขาเขาเล่นพักเล่นพวก เป็นอาการของโลภะแล้วก็ที่จริงก็เป็นอาการก็โทสะคือกิจการก็ดืดด้วยคนที่ได้ควรได้ไม่ได้คนที่ไม่ควรได้ได้มันก็เป็นเรื่องยุคสมัยค่าของคนอยู่ที่คนของใครตอนนี้ค่าของคนอยู่ที่คุณมีเท่าไหร่มันก็ปล่อยก็ไป ถ้าเขาทําผิดมันก็เป็นบาปกรรมของเขาเขาทำไม่ไม่ผิดมันก็เป็นความดีของเขาเพราะเราจะเห็นว่าถ้าเราไม่ทิสหยาเนี่ยมันจะเป็นมุติตามันยุตสุดชื่นชมยินดีในการได้รับประโยชน์ได้สันเสริญได้รับความสุขของคนหลานนั้นแล้วก็ศึกษาวิธีวิธีว่าทํำยังไงก็จึงได้ เราก็ดูวิธีบางอย่างมันไม่สุจริตอ่ะไม่สุจริตเราไม่ต้องไปอยากมันหลักได้อย่างนั้นไม่จำเป็นเพราะว่าได้หรือไม่ได้เนี่ยเราก็ตายด้วยกันนะก็นึกถึงความตายเอาไว้แล้วก็ความดีเนี่ยไม่จาเป็นว่าเราจะต้องเป็นอะไรมากๆแต่ว่าเราก็ทำก็เราไปเรื่อยๆความดีมือที่จิตทําดีพูดดีคิดดีก็พอแล้วนะ แต่ว่าคนจะทำใจยากเพราะิสยาจึงเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมเราลองสังเกตนะลองสังเกตว่ายกตัวอย่างไว้สมัยย้อนหลังไปก็ได้แล้วสมัยรัฐบาลอาจารย์ธนินเนี่ยครับรือถ้าเรามองโดยความเป็นธรรมเรื่อแน่นอนอการเกิดมาเนี่ยไม่ค่อยจะถูกต้องนะครับเพราะว่ามันมาจากปฏิรูป แต่ว่าเจตานารมณ์ในการพัฒนาประเทศเนี่ยมันเป็นแผนบันไดสามขั้นเนี่ยขั้นละสี่ปีสิบสองปีเนี่ยพบประกาศลงมาอในคนยริษยาทันทีเลยทนไม่ได้นะเธอใหญ่ยอยู่ตั้งนานอย่างเงี้ยทำไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าท่านจะเป็นเองคือในแง่ความจริงไม่ได้หมายความว่าท่านเป็นเอง<ม>แต่ว่าโครงสร้างที่จะช่วยกันพัฒนานําพาประเทศไปเนี่ย ขั้นที่หนึ่งทอย่างนี้ขั้นที่สองทำอย่างนี้ขั้นที่สามทำอย่าง 4, างี้แต่ว่าคนทำไม่รู้อะใครใครทำก็ทำไปมันก็ทลไม่ได้เพราะเราลองสังเกตว่าในบ้านเราถ้าเห็นว่าใครจะดีเด่นดังอยู่นานแล้วจะถูกผูกพยายามโค่นล้มทำลายเราต้องการเป็นตัวเองนะไม่มีอะไร การเป็นเองต้องให้พวกพวกคนตัวเองเป็นเพราะที่ไหนก็มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยแม้แต่ระดับประเทศที่เป็นต้นแบบของประชาธิปไตยเช่นอังกฤษก็มีข่าวข่าวตัวนี้แบร์เราจะเห็นว่าแล้วหลังๆนี่โดนบ่อยเลยก็ใส่ความใส่ไร้ายป้ายสีว่าเรื่อยไปสร้างข่าวขึ้นมา แอ้เช่นว่าอ้างอ้างว่าจะทิ้งระเบิดสถานีโทรทัศน์อันจาศิราแต่ที่ที่รู้สึกจากาตานะครับเออมีข่าวประท้วงเล่นกันเยอะคือปัญหาที่ต้องถามว่าคุณได้ยินมาจากไหนละ่ะเออคนก ค, คุยกันอะ่ะคือไม่คิดว่าถ้าคุยกันมันมีทางเลค่คนจะได้ยินอะ่ะ เลยถามมาทาําไป็นลลักษอักรทําไมต้องเขียนไปหลายลักษณ์อักไม่พันจะเป็นอะไรมันไม่ใช่ทันทัสัญญาอะไรนี่นะี่ต้องทาําไปได้ลัอักรเรื่องปรึกษาก็คนุยกังสองคนน่ะใครจะไปรู้อะแต่ว่าเพราะว่าเราไม่ชอบเราไม่ชอบเขาเป็นนานไปอยากจะเป็นเองบ้างอยากให้พวกอื่นคนอื่นก็เป็นเองบ้างแล <c oughs> ้วก็ต้องพยายาม ต้อพยายามที่จะก้นทำลายทําให้ความคิดบางอย่างเนี่ยยกตัวอย่างไว้เช่นเช่นสมมติเราพูว่าหรือว่าตําแหน่งโตๆทั้งหลายเนี่ยเอากําหนดไม่เกินสี่ปีทําไมต้องไม่เกินสี่ปียังผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยอยู่นานยิ่งดีมันเป็นบารมีมันเป็นพ่อเมืองมันอยู่กันมาเกดูง่ายๆเนี่ยแค่แค่สมพานเนี่ยนะสมพานต้องเป็นนา น, น, าน ให้เด็กแถวนัน้นเรียกหลวงปู่อยู่จะเป็นหลวงปู่ของเด็กแถวนั้นแล้วก็สบายแล้วเด็กเนี่ยหลวงปู่จะแก้ปัญหาอะไรต่างๆให้แก่สังคมได้เยอะเลยเพราะจริงๆบาร ม, มีมันเกิดถ้าเราทำความดีมากๆนานๆต่อเนื่องเนี่ยบาร ม, มีมันแผ่ลงไปถึงฐานรากของสังคมนี่ความคิดริษยาแข่งดีกันก็ว่ากันไปเรื่อย สุดก็ปีหนึ่งก็ย้ายสองปีก็ย้ายทํางานกันอย่างเงี้ยไม่มีการปฏิปะ ต, ปะตเพราะแรงฤทธิ์ยามันเป็นแรงอันตรายจงกล่าวได้ว่าฤทธิ์ยาทําโรคไ้พินาตถ้าเราหยุดความคิดฤทธิ์ยาอย่างไม่ถึงก็หยุดแล้วนะครับบนเทาสักบ้างบันเทาเสักบ้าง คือเมื่อเข้ามาตามตรอกออกมาตามประตูก็ให้ไปตามตรอกออกตามประตูอย่าใช้วิธีการปลูกกระดมอย่าใช้วิธีการใส่ร้ายป้ายสีอย่าพูดเองเออเองตัดสินใจเองตั้งตัวเป็นสารไปวินิจฉัยตัดสินเองอย่างนี้มันก็เกินไปแปลว่าสังคมเราเนี่ยโลกมันก็คือโลกไป น, นะก็กำหนนาวัตตีโลโกสัตโลกก็เป็นไปตามกรรมของตัวเอง ้เราสังเกตว่าริษยามันจึงมีโมหะนี่เป็นเป็นเป็นในฐานอยู่แล้วก็เป็นอาการของโลภะโทสะในตัวผู้ได้แล้วก็โลภะในสิ่งที่เขาได้มันก็คล้ายๆการให้ทานเราจะเห็นว่ามันก็มีอโมหะคือมีปัญญาอยู่ภายในจิตแล้วก็มีความรู้สึกเป็นมิตรต่อผู้ที่รับ ไม่มีความสนีในสิ่งที่ให้เห็นไหมเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นธรรมะหมดเลยสามข้อออกมาเป็นทานานิศยามันจะลดขนาดจกระทั่งเลยมันจะโทสะในผู้รับในผู้ที่เขาได้จริงๆเขาเขาได้ของเาเองแต่เราโลภะในสิ่งที่เขาได้เราไม่โลภะในตัวเขาหรอกแต่โลภะในสิ่งที่เขาได้ราวเขาเราไม่ชอบมันโมหะภายในจิต เราศึกษาหลักการวิธีการในการได้มาของคนเหล่านั้นแล้วก็ทำต่อไปแต่ถ้าเราเกตสังเกตลักษณะสังคมเราเนี่ยามาสังเกตมาตั้งแต่อยู่ต่างจังหวัดเราก็ไม่เข้าใจเห็นคนที่บ้านเนี่ยบางทีเ้าก็ทำอะไรรงสีเล็กนะฮะสีเล็กก็สีข้าวรับจ้างสีข้าวกันบางคนแห่ไปสีมากๆโอ้พวกก็ต้องการได้ สร้างโรงสีแข่งกันไอ้ทีนี้ไอ้ชาวนาที่จะมาเอาเข้าวมาสีนี่มันมีเท่าเดิมมันเกิดการเป็นมีส่วนแบ่งพอแบ่งกันมากๆในผลสุดท้ายมันไม่คุ้มละก็แข่งกันเอาชนะกันจนถึงจุดหนึ่งว่าอา๋อสีไปแล้วก็ขอเฉพาะลำแต่ต้องการชนะขาดเอาสีสีฟรีเลยเสร็จแล้วตัวเองก็เจ๊ง ก็ไม่ต้องแจวนะบางทีก็สร้างเรือโดยสารเอาพอรวยพอพอเพื่อนมีรายได้ขึ้นมาเอาสร้างแข็งเพราะแข่งเนี่ยผู้โดยสารมันเท่าเดิมคนก็แถวนั้นนหะคนก็ให้ไปไม่รอดแล้วก็มาเรื่อยมาจนถึงเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าอะไรอะไรก็พอคนเขาเด่นเขาดังเรื่องอะไรเจ้าตัวอย่างชาชาเขียวนี่มาไม่รู้มั่วไปหมดเลย แล้วก็ยีข้อต่างๆเกิดขึ้นเยอะต่อสู้กันเยอะแล้วก็แย่งส่วนแบ่งในตลาดแล้วผลสุดท้ายเนี่ยก็ยล้มกระเ น, นื้อน่าตายอันนี้คือคือเราเห็นว่าแรงฤทธิษยาแข็งดีต้องการได้อย่างที่เขาได้ต้องการมีอย่างที่อย่างที่เขาต้องการเป็นอย่างที่เขาเป็นแต่ทีนี้ไม่ได้มองนะว่าถ้ามันมาก ๆ, ๆเนี่ยผู้บริโภคมันไม่มีพอ แล้วก็ในที่สุดเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรเท่าไรหรอกเพรารนิสยาจึงจึงทำโลกให้พินายัางนึกถึงข้อความที่รัชกาลที่หกทรงนิพไไน์ไว้ในทรงนิพน์ไว้ในเรื่องพระร่วงเนตอน ป, ปลาเยเกือบจะจบรู้สึกจะจบเนี่ย ก็อ่านมาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วก็ชอบมากพวกนี้คล้ายๆกับทรงมีวิจารณญาณที่มององค์รวมของความเป็นสังคมไทยเมื่อสังคมไทยเด่ยแต่คุณหยุดริษยากันหน่อยได้ไหมละ่ะใครก็ทันดีสนับสนุนส่งเสริมขเขาถยอหลือเกื้อกูลกันก็ไม่ได้แปลกอะไรเราอยู่ตรงไหนก็ได้ มันเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองพอรอนที่ตอนที่ท่านได้พระร่วงได้ได้ได้ไดไดไดรับสถาปนาเป็นเป็นเจ้าครองครองสุขโขทัยเนี่ยมันมีข้อความตอนหนึ่งที่บอกว่าอย่าเห็นแก่ตัวมัวพะวงลุ่มหลงริษยาไม่ควรชี้ย่าต่างคนต่างแข่งกันแย่งดีอย่าให้ช่องภัยรีที่มุ่งร้าย เป็นนิทานสุภาษิตอะมันก็เหมือนกับนกกระจอบที่ว่าติดตาข่ายของนายพรานตามปกติแล้วก็พร้อมกันบินเอาตาข่ายไปเกี่ยวบนใบไม้แล้วก็ลงมากินกินข้าวในนาของนายพรานได้ต่อมาทะเลาะกันทะเลาะ ก, กันพอกกนติดตาข่ายปรากฏว่าเกี่ยงกันไม่ยอมบิน ทีนี้ไม่บินพร้อมกันมันก็ไม่มีแรงพอที่จะยกตาข่ายได้ในสุดนายพรานก็เอาไปทอดกรอบใช่ไหมเมื่อก็เป็นตัวอย่างี่จริงก็สอนกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะอริสยาเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่น่าสังเกตยอย่างหนึ่งว่าการแสดงทั้งหลายตั้งแต่เคยเป็นเด็กๆตั้งแตดูลิเกอะไรต่างเนี่ย เกมันุราภาพยนต์อะไรสมัยเด็กๆนี่กด็กกดูว่าเอ้ยมันแปลกบทอื่นสแสดงตีกันไม่ค่อยแตกบทตัวทิศยาที่ไหน ม, มันตีบทกระโยหมดเลยทุกคนเลยแปกคือสแสดงว่ามันเก็บไว้ภายในใจนี่เยอะเราพอได้โอกาสได้จังหวะแล้วก็ไปเลยวันก่อนนี่มีคนมาถามว่าไป ไปเยี่ยมญาติโยมในบ้านบ้างเปล่าไม่เคยไปเบื่อพอไปไม่มีอะไรอ่ะมีแต่คนมันอินทาคนนั่งฟังโอ้มันอึดอัดเลยคือจะได้พูดอะไรเป็นเรื่องเป็นราวไม่ค่อยได้เรื่องในราวเลยอะมีค น, ออนะค น, ค น, นบอกฟ้องนะคนนั้นคนนั้นบอกฟ้องอย่างนั้นฟ้องอย่างนี้เราก็ทําอะไรไม่ได้แล้วก็ก็ไม่รู้จะไปทําอะไรการริษยาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมาแรงมากแล้วในปัจจุบันเราก็เห็นชัดเจนฮะ ท่านบอกว่าแม้เราริษยากันและการไม่ช้าพลันจะพากันจิบหายระวังการยุยงส่งร้ายนั่นแหละเครื่องหมายเครื่องทำลายสามัคคีคณะใดศัตรูผู้ฉลาดหมายมาทำลายให้เร็วรีก็ยุแยกให้แตกสามคัคคีเช่นกระดัลลิจวีวงโบราณในสามัคคีเพศขั้งฉันเนี่ย เราเห็นว่าสามคัคีเพศคําฉันแล้วก็แผนเจ็บตัวแผนเจ็บตัวคือแผนบีบน้ําตาต่างๆนะเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยนักการเมืองนักบุรุษดมทั้งหลายนี่แหมบีบน้ำตาความสงสารเวลานี้ผมกำลังถูกปองร้ายต้องคอยหลบคอยซ่อนไปพึ่งวัดไปพึ่งตรงนั้นทรนี้ไม่มีอะไรแผนเจ็บตัวแผนวัศการก็ใช่ามาเยอะแล้ว พวกทางปักใต้สามจังหวัดมันใช้บ่อย แ, แผนรัชการพอราชการระพามเนี่ยก็เรียกแผนเจ็บตัวโดยสรุปก็คือแผนเจ็บตัวแกในฐานะจริงๆแกก็ไม่ถึงกัะยุ น, นะฮะแต่ว่ามันสร้างความระแวงเรียกเด็กไปถามเป็นไงที่บ้านสบายไหมเมื่อเช้ากินข้าวกับอะไรพ่อแม่สบายดีไหมแต่พอซุบซิบถามไอ้เด็กมันสงสัยว่าเรื่องขนาดนี้ทาไมซุบซิบถาม าถามลูกลูกก็บอกตามความเป็จริงอาจารย์พูดอย่างนี้พูดอย่างเนี้ยแต่ว่าเขาไม่เชื่อเพราะว่าใช้วิธีการมันก็ใช้เฉพาะวิธีการเดแยวาการถูกเคียรหลังเนี่ยเราจะเห็นว่าในเรื่องอะไรสามก๊กนี่ก็มีแผลเจ็บตัวนี้ใช้กันเรียกว่าใช้แล้วประสรบความสำเร็จนะัเป็นเรื่องแปลกอย่างเลขาตั้งผู้ว่าเนี่ยมีการใช้ทั้งสองสามครั้งอย่างมองว่าก็ขำดี เรียนสามัคคีเพศมาเรียนราชาธิราชมาเรียนรามเกียรติ์มาเรียนไมเจ้าแต่ไม่คิดคือเรียนแบบบันเทิงบันเทิงริงรุมคือเรียนแบบสนุกคือไม่คิดว่านั่นคือภาพจำลองชีวิตมันเป็นการสะท้อนชีวิตให้เราเห็น แต่และเรื่องเนี่ถ้าเราคิดว่าเป็นมันโนมันเป็นยุทธศาสตร์ยุทธวิธีมันเป็นภาคสนามที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วแล้วก็นํามาใช้ได้ที่จริงก็ไม่ต้องถึงกับประยุกต์อะไรไม่ใช้ได้เลยอ่นะแต่ยกตัวอย่างว่าพราหมณ์ูดีรับใช้ไปยุแย่สารเญยยุย่าถ้าแตกฉานจนเวลาสตรูจู่ไปรานมัวเกี่ยงกันเสียการเสียนครเไม่เหมือนับนก็รจาบแยกได้ มันก็นอกกระจกแล้วก็ตอนนี้ที่จริงมันก็คล้ายๆกับตอนมณเสียดีดาแตกครั้งที่สองมันก็เรื่องมากมากเรื่องโดยทำให้เสียเรื่องหมดก็บอกว่าฉะนั้นซรายขอไทยจงร่วมรักจงร่วมสมัครสมมสรเอาไว้เผื่อเมื่อมีไพเรียนจะได้สู้ดัศกรด้วยเต็มแรง ไทยรวมกำลังตั้งมั่นจะสามารถป้องกันขันแข็งถึงแม้ว่าจตรูพูดมีแรงมายุทธ์แย้งก็จะพระลาดไปขอแต่เพียงไทยเราอย่าผลาญญาตินี้สงสีตกมากนะฮะรางัะเกีบว่าไทยเราผลาญญาติทั้งลายญาติกันเองแบ่งแยกแม้แต่ในแม่วงพระนี่ยังแบ่งเป็นพักเป็นฝ่ายไป็นโอ้ยเป็นภาคเป็นอะไรอะไรยุ่งเลยหมดเลย กิเลสหยาดยาดแก้ไม่ได้เทศศสนึงนิพพานนะกิเลสหยาดยังแก้ไม่ได้เก็เก ด, ๆๆดูแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสลดแต่ก็ขอแต่เพียงไทยเราอย่าผ่านญาติร่วมชาติร่วมจิตเป็นข้อใหญ่ไทยอย่ามุ่งร้ายทำลายไทยจงพร้อมใจพร้อมกําลังระหว่างเมืองให้ภาษาให้นานาภาษาเขานิยมชมเกีดยรติลดปูเฟื่อง ช่วยกันบำรุงความรุ่งเรืองให้ชื่อไทยกระเดืองทั่วโลการ่วมกันเต็มใจไฝ่พรฒดุงบำรุงร่วมชาติศาสนาเอาสองมทัดนี้ได้กับุญนนะนะ่ๆะเห็นว่าจิมตรงเนี้ยคือคื อ, ค, อคือคำเดียวกับคำรู้รักสามาคัคคีความหมายเดียวกันเลยโดยอัฏฐะเนี่ยสู่ภาคสนามแล้วจะเหมือนกันเลยหรือเข้าใจเข้าถึงพัฒนาภาคสนามจะเหมือนกัน ร่วมกันเต็มใจไฝ่ผดุงบำรุงร่วมชาติาศาสนาให้อยู่จนสิ้นดินฟ้าวัฒนาเถิดไทยชยู่ก็เพลงเราเนี้ยจริงๆก็มีนะก็ว่าตอนนี้กรมมาะชาสัมพันธ์เขาไม่เคยเปิดแต่จริงเอามาเปิดไปบ่อยแต่ไอสังโยชน์นี้มันฟูกขึ้นมาข้างบนเลยจริงๆมันไม่มันมีสถานะเป็นสังโยชน์แล้วนะฮะมันเป็นกิเลสประเภทล้นออกมาข้างนอกอะ เป็นทุจริตทางกายทางวาจาทางใจแล้วแต่ว่ารากมันก็อยู่ข้างล่างแต่อย่าลืมาอิสาเนี่มันก็อยู่นะะแม้ในมนทินเก้านี่ก็อยู่ในอุปกิเลสก็มีต่อไปคือมัจฉริยะความเสน่ความสน่เป็นอาการของโทสะด้วยแล้วก็โลภะด้วยในขณะเดียวกันก็โมหะด้วยนะคือโมหะนี่ก็อยู่ทุกงานนะ โดยตามปกติถ้าเรามองจากสายของอภิธรรมเนี่ยท่านบอกว่ามันมาจากโทสะแต่ถ้าเรามองจากจิตเนี่ยเราจะเห็นว่าบางอย่างมันมันเป็นโลภะไม่ใช่โทสะหรอกเต่เช่นว่าบางชีเนี่ยแม้แต่ได้อะไรกินมากับลูกกับเมียก็มกไม่แบง่งเป็นอาการเขาโลภะเขเห็นแก่ตัวถามเกลียกกรูเกลียเมียไหมไม่หรอกไม่เกลียร์หรอก แล้วเห็นแคตัวนึกถึงตัวเองเพราะ ง, งั้นมัชฌริยะคือความเจริ ญ, ญนี่เป็นเรื่องที่น่าที่ได้คิดวันก่อนไปนบญญปรรยายรมิ่กทม อ, อทำงานยังไงให้ใจเป็นสุขก็ขตั้งชื่อมาเองนะฮะแล้วก็ตั้งข้อสังเกตให้ฟังว่าคือบางทีเราคิดเป็นตัวตนมากไป ใใครตัวเองจะอยู่คำฟ้าตลอดไปยกตัวอย่างเช่นเป็นพวกครูที่ต่อต้านขัดขวางไม่ยอมเข้าไปอยู่ในสังกัดของอปทเนี่ยนะฮะที่จิงมาเองก็ไม่เห็นด้วยหรอกแต่ว่าอย่าลืมนะว่าบ้านเมืองก็จะเรินก้าวหน้าไปเรื่อยๆ มันมีความเปลี่ยนแปลงในองค์กรต่างๆปปทก็มีคุณสมบัติมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้เขาบอกว่าตามความสมัครใจคำเดียวเนี่ยขอให้ตัดออกเอ๊ะไม่รู้ภาษาไทยได้ออยังไงเมื่อยังไม่สมัครใจมันก็ไม่ได้เกี่ยวคุณก็ไม่ได้อยู่ตลอดละประเดี๋ยวคุณก็กเกษียณนะคุณมายุ่งอะไรขรักหนาอะไรเรื่องอนาคตอ่ะอันนี้คือคือเอ้เราทําไมมันไม่มีวิจารณญาณขนาดนี้ อย่างนั้นมันจันลี ค, คล้ายๆกับสมบัติส่วนตัวไม่ใช่สมบัติส่วนตัวเราเป็นผู้รับใช้แผ่นดินทั้งสององค์กรนั่นแหละเป็นผู้รับใช้แผ่นดินคุณไม่เป็นเจ้าของทั้งอปททั้งๆังทังสถาบันการศึกษ า, าหลักคุณเป็นลูกจ้างมันไม่ใช่เจ้าของก็ต้องเข้าใจแล้วก็เปิดช่องไว้เพราะช่องหายใจไว้เนี่ยมันไม่ได้แปลกอะไร คือในะที่บางแห่งเนี่ยเราจะลืมนะบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยบวอรเนี่ยมันต้องเป็นอันหนึ่งเดียวกันที่จริงบวร์ตัวรอเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอาเฉพาะว่าโรงเรียนนะรอเนี่ยคือราชการแล้วก็ราษฎรแล้วก็โรงเรียนด้วยเพราะโรงเรียนของชุมชนอะ่ะให้ชุมชนก็มีส่วนได้มีส่วนขนาดไหนล่ะ ไม่ใช่มันกำกับควบคุมระดับนโยบายระดับแผนระดับวิธีการในการสั่งสอนจะกำกับควบคุมในตัวครูไอ้นี่มันก็มากไปหน่อยแล้วเปิดท่องหายใจเอาไว้เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันนั่น ค, คืออคือณสนีแล้วก็มีความมีอะไรเขาเรียกว่าตัษสากติโมหกติอยู่ ผลเส น, นมันจะออกมาในรูปของเสนีผลประโยชน์ต่างๆเขาเรียกว่าลาภมัจฉญาคือเสนีลาภหมายความว่าทรัพย์สินเงินทองต่างๆเนี่ยไม่ยอมเมื่อเพื่อเผื่อแปรสงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูล ค, คนอื่นแล้วเสนีที่อยู่ที่อยู่ไม่ยอมไม่ใครอยู่ตามปกติท่านจะยกตัวอย่างพระนะเจนวัคคติเนี่ยไม่ยอมไม่ใครอยู่อวัดเนี่ยไม่ยอมไม่ใครอยู่ก็เป็นของของของฉันของฉัน วัดต้งใหญ่โตหนึ่งนะยกตัวอย่างเช่นว่าวัดวรเนี่ยนะวัดวรเราสามารถที่จะปรับพื้นที่อยู่อาศัยนี่ให้พระอยู่ได้สักสองร้อยแล้วก็สร้างอาคารขนาดยาวขึ้นมาให้พระยินนพันษาเนี่ยอยู่สร้างตั้งสองสามชั้นหนึ่งเอาแถวตรงนี้มันเขตเกาะรัตนกโกสินทร์เราก็สร้างสักสี่ชั้นหนึ่ง แล้วก็กลายเป็นที่พักอาการลุกะเวลาไม่มีพระหมเพระหม่นอกพรรษาก็อยู่แม่เต็มก็มีที่พักค่้ยๆก็ขอพักมีอาจารย์ควบคุมอะไรแต่ไรพระเราก็อยู่กันเยอะก็เรียกว่าในพรรษาก็อาจจะอยู่ร่วมสามร้อยมันก็ยุ่งนิดหน่อยวันอุโบสถที่มันแคบเพราะพระอุโบสถมันแคบแต่ว่าเราสามารถที่จะบริหารจัดการได้ วัต่างๆนี้เราจะเจ็นๆาจริงๆยังสามารถบรรจุพระได้เยอะแต่ว่าก็อะไรไม่รู้มันมันมันไม่น่าพระจะน้อยขนาดนั้นทีนี้อาการนสนิทตรงเนี้ยอย่างอย่างวันก่อนที่พูดอะไรที่ว่าส่งคนไปอยู่ทางภาคดต้อย่างนี้มันมันลุกขึ้นมาต่อต้านกัดขวางเนี่ยมันมากไป เพราะจริงๆประเทศไทยคนไทยในมีสิทธิ์เลือกที่อยู่อาศัยที่ใดก็ได้ในประเทศไทยเนี่ยแต่วิธีการสําคัญว่าถ้าคุณต้องการจัดสรรที่ดินเนี่ยคุณต้องจัดสรรพวกที่อยู่ก่อนเนี่ยให้มีที่ดินทํากินซะก่อนแล้วเหลือจากนั้นจึค่อยว่ากันแต่ว่าที่จริงคนทางภาคใต้ในสามจังหวัดด้วยเนี่ยบางคนก็ไม่มีที่ดินทํากินมันต้องแก้ปัญหาที่ก่อนเล แล้วก็สร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันความบาคนนักถือศาสนาอิสลามก็กระจายไปอยู่ได้ทุกจังหวัดเขาไม่ได้ความอะไรทตาไม่ปลุกไปปักได้มันจะลุกไปไม่ได้มันต้องลงได้สิแต่ว่าวิธีการสำคัญเนี่ยมันต้องแก้ปัญหาให้ชุมชนให้เสร็จปก่อนมันเป็นเหตุผลทางสังคมจิตวิทยาก็ไปซ้ำเติมสถานการณ์เพิ่มคนจนขึ้นมากยิ่งขึ้ น, นมันต้องแก้ความยากจนตงนั้ ก, ก่อน แล้วกษณีที่อยู่อาศัยนะตะหนีสกุลตะหนีสกุลเนี่ยเช่นว่าไม่ต้องการเกี่ยวข้องกับสกูลบางสกุลหรือว่าเวลาท่านยกตัวอย่างนยกตัวอย่างพระเ อ, อกอาจารย์พระองค์เนี้ยมีโยมอุปถากอยู่สกุลหนึ่งไม่ยอมแนะนําให้เพื่อนรู้จักกลัวว่าโยมจะไปเกิดศรัทธาเลื่อมใสในคนนั้นแต่ตัวเองจะเสื่อมลาบ อันนี้โลบมากโลบมากหลงมาที่จริงคือถ้าเราเรามีความมุ่งดีต่อโยมเนี่ยเราก็ให้โยมรู้จักพระมากมากนะเพื่อจะเกิดศรัทธาเรื่อมใสท่านมีกำลังจะสง่สงเสริมสนับสนุนอะไรก็ว่ากันไปก็เปิดโอกาสให้ท่านได้ทำบุญแต่อู้เรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยสมัยพุทธการนี้แค่ไหนนะุ้ณเจ้าเองยังโดนกีดกัน แต่ว่าจากพว ก, กปริพาชกนักบวชนอศา ส, สนาเขาต้องการโยมก็ต้องการจะฟังเทศจากพระพุทธเจ้าจยไปเฝ้าเขาไม่ยอมให้ไปจนในที่สุดต้องใช้การนิมนต์พระพุทธเจ้าอววางแผนขัดขวางเยอะแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเสียเวลามายุมหยิมเรื่องนี้ไปหวงสกุลไปหวงโยมไม่ต้องการให้ใครรู้จักมักจีด้วย แล้วก็ตนีวันนะวัน น, นั้นอาจจะหมายถึงพวกอ า, าจจะหมายถึงผิวอาจจะหมายถึงความดีแล้วก็สานีธรรมธานีธรรมนี่ส่วนใหญ่มันก็เน้นไปที่ตัวความรู้นะเน้นไปที่ความรู้หรือหลักการวิธีการในการปฏิบัติพัฒนาต่างๆก็ธานีความรู้พวก ง, งว่ายๆจะธานีความรู้ ไม่ยอ ม, มบอกกล่าวชี้แนะให้คนอื่นเกิดความรู้ความเข้าใจนะกลัวเขาจะดีจะเด่นจะดังในสมัยโบราณนี่ปกปิดความรู้ไว้เยอะที่ว่าพอเขาตายไปแล้วปรากฏว่าก็ตายตามไปเลยอันนี้ก็คือมัชชริยะเราจะเห็นว่าสิ่งที่แปลกออกไปก็คืออิสามัมชชริยะแล้วก็พวาราคะ ภาษาต่างกันเฉยๆเพราะจริงอิสาก็คือกิเลสประเภทโลภะโทสะโมหะพราเขาคะก็เป็นกิเลสประเภทโลภะภราเข้มัจฉิริยะเป็นกิเลสประเภทโทสะกับโมหะหรือว่าโลภะกับโมหะก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่กรณีอะไรพวกนี้ที่จริงพอขึ้นข้างบนแล้วเขาก็ไม่เรียกอย่างเนี้นะ ก็ไม่เรียกว่าสังโยชน์แต่ว่าไอลองสังเกตว่ากิเลสเนี่ยชื่อมันบัญญัติตามอาการเวลาไปพูดกับชาติอื่นภาษาอื่นมันก็มีชื่ออย่างอื่นพระพุทธเจ้าก็เรียกตามอาการที่มันทําปฏิกิริยาต่อจิตเรียกอนุสัยก็ได้เรียกสังโยชน์ก็ได้เรียกอาสวะก็ได้เรียกโยคฆ์ก็ได้คันถะก็ได้ โอคาก็ได้โอปชิก็ได้อะไรก็ใหญ่ปัญหาก็ได้เยอะใหญ่หมดเลยรเรื่องัญหาใหญ่ในโลกเราเนี่ยที่จริงมันเป็นปราจากกิเลสทีน่ากลัวก็คือว่าระดับนำของโลกเนี่ยท่านไม่เข้าใจเรื่องอะ่ะท่านเรียนประวัติศาสตร์มาจริงๆประวัติศาสตร์เนี่ยมันสําคัญที่สุดนะ ประวัติศาสตร์ที่จริงมันเป็นบทเรียนสาเร็จรูปอันก่อนไปนบรมผู้บริหารเนะี่ยคือบอกว่าคุณนึกถึงนึกถึงพระรามนึกถึงพระรามกั น, นึกถึงพระพุทธเจ้าการงานงานบุคคลเนี่ยการวางคนให้เหมาะสมกับงานการสั่งคนให้ไปปฏิบัติภารกิจเนี่ยมันต้องสาเร็จเพราะมาก็รู้ที่ความรู้ที่ความสามารถ ที่ความคิดอ่านของเขาบางคทางบางครามันต้องมีไหวพริบปฏิภาณโอ้มันต้องเชื่อเขาแล้วเขาก็มีคุณธรรมเหมาะสมแตัวเห็นว่าอย่างพระรามเนี่ยเราจะมองตรงไห น, นเอาเอาอะไรก็ได้นะเอาแม้แต่เรื่องสังทองเนี่ยเอาสังทองก็ได้อะไรก็ได้แต่มองเห็นธรรมะหรือเปล่าตรงนั้นนะอย่างการบริหารศาร ส, สนานในนําสื่อพระพุทธศาสนาเนี่ย มาพูดอยู่บ่อยอ่ะแต่ว่าเราไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสเข้าไปมีสวดอะไรกับเขาคือบอเราจะนําสื่อพระพุทธศาสนาต้องโดยเสด็จรอยุคนบาดพระพุทธเจ้าเลยแล้วไม่ต้องไปดูดูตั้งแต่ปฐ ม, มเทศนากับปฐมสาวกแดงสือพุทธรวิเล่มหนึ่งเอาสองบริเทศพอคิดออกมาให้เป็นเป็นรูปธรรม คิดออกมาให้เป็นองค์ธรรมตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออะไรยุทธวิธศาสตร์ยุทธวิธีในการขับเคลื่อนองค์กรเนี่ยพระเจ้าทรงยกตัวอย่างเมื่อกองทัพทหารในกองทัพจะต้องมีหนึ่งคือมีฉลาดในเฉยภูมิสองยิงในไกลสามยิงในไวซีทาลายคุ้มกําลังฆ้าศึกได้ตรงเนี้ยเอาไปไปเป็นหลักใช้อะไรก็ได้ มันไม่ใช่ว่าต้องใช้ไปเฉพาะเรื่องนั้นเราเห็นว่าที่จริงพระพุทธเจ้าเอาจากทหารมาแล้วมาสอนพระให้ต่อสู้กับขั้นสึกภายในคือกิเลสทีนี้เราก็เอามาใช้ในการบริหารองค์กรคือพัฒนาองค์กรสร้างเชยภูมิไม่เหนือเชยภูคืออะไรความรู้คือความประพฤติคือความสามารถคือความคิดอ่านต่างๆแล้วก็คุณธรรม นั่นก็คือสลาดในใจพวกยิง่งได้ไกลคือมีวิจรารณญาณที่เห็นการไกลว่าต่อไปโลกมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ต่อไปมันจะเป็นยังไงต่อไปมันจะเป็นยังไงต่อไปมันจะเป็นยังไงมีแผนมีนโยบายที่จะรับความเปลี่ยนแปลงของโลกนำพาองค์กรไปให้ได้แล้วก็ตัวอย่างก็เยอะในบ้านในเมืงองเนี่ยยิ่งได้ไว หมายความว่าอะไรที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคต้องขจัดต้องป้องกันต้องรอะทลเนี่ยทําให้ได้และทําลายคุ้มกํำลังใหญ่นะคือความไม่สามารถขี่กันความโง่อะพูดง่ายว่าความโง่่ะความโง่ความเห็นแก่ตัวนะําไปสู่ปัญหาสารพัดอะแต่ว่าพระเจ้าเน้นที่อวิชานะอวิชาตัวเดียวเป็นปัญหาทั้งหลายมันมาจากอาวิชาตัวเดียวพอสาถึงรากเราจะเจอวิชาอะไร ผลจะทำลายคุ้มกำมังตรงนี้ได้นะศูนย์มันจา ก, การใหญ่ตรงนี้ได้ไม่จะถึงกับหมดหลอกแต่ว่ามันอยู่ด้วยเหตุผลและความดีพอสมควรนะในแง่ของชีวิตในแง่ของสังคมมันก็จะมีอะไรดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทุก ท, งทงางต่างหากเสียงธรรมจากหมาวิทายาลัยศรีปฐุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพรบูรในธรรม จะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายดูทัว ก, ก, กันสวัสดี